ความไม่มีศีลทําให้จิตใจเศร้าหมองความมีหน้าตาผิวพรรณเศร้าหมองไม่ผ่องใสย่อมเกิดแต่ความไม่มีศีลความมีหน้าตาผิวพรรณเศร้าหมองไม่ผ่องใสเป็นผลที่ตรงกับกรรมที่เป็นเหตุคือความไม่มีศีลความไม่มีศีลเป็นการทําให้จิตใจเศร้าหมองไม่เบิกบานเป็นสุข ความมีหน้าตาผิวพรรณเศร้าหมองไม่ผ่องใสแสดงถึงความมีจิตใจเศร้าหมองไม่เบิกบานเป็นสุขผู้ทําเหตุคือความไม่มีศีลก็ย่อมได้รับผลเป็นผู้มีหน้าตาผิวพรรณเศร้าหมองไม่ผ่องใสผลย่อมตรงต่อเหตุ ด, ดังนี้ ผ my, <iley iley> eh ู้อ uh ่อนน้อมตอผู้ควรอ่อนน้อมจะเกิดในตระกูลสูงความได้เกิดในชาติตระกูลสูงย่อมเกิดแต่ความอ่อนน้อมต่อผู้ควรได้รับความอ่อนน้อมความได้เกิดในชาติตระกูลสูงเป็นผลที่ตรงกับกรรมที่เป็นเหตุคือความอ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรได้รับความอ่อนน้อมความอ่อนน้อมต่อผู้ควรได้รับความอ่อนน้อม ย่อมทําให้ได้เกิดในชาติตระกูลสูงความได้เกิดในชาติตระกูลสูงจะทําให้ได้รับความอ่อนน้อมแตกต่างกับการเกิดในชาติตระกูลต่ําผลย่อมตรงต่อเหตุดังนี้ผู้ไม่อ่อนน้อมต่อผู้กวนได้รับความอ่อนน้อมจะเกิดในตระกูลต่ํา ความได้เกิดในชาติตระกูลต่ำยอมเกิดแต่ความไม่อ่อนน้อมต่อผู้ควรได้รับความอ่อนน้อมความได้เกิดในชาติตระกูลต่ำเป็นผลที่ตรงกับกรรมที่เป็นเหตุคือความไม่อ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรได้รับความอ่อนน้อมความไม่อ่อนน้อมต่อผู้ควรได้รับความอ่อนน้อมยอมทำให้ได้เกิดในชาติตระกูลต่ำความได้เกิดในชาติตระกูลต่ำ จะทำให้ไม่ได้รับความอ่อนน้อมแตกต่างกับความเกิดในชาติตระกูลสูงผลย่อมตรงต่อเหตุดังนี้ผู้พรั่งพร้อมด้วยสมบัติสมบูรณ์บริบู์เกิดแต่กรรมคือการบริจาคความพรั่งพร้อมด้วยสมบัติ ย่อมเกิดแต่ความบริจาคความพรั่งพร้อมด้วยสมบัติเป็นผลที่ตรงกับกรรมที่เป็นเหตุคือความบริจาคความบริจาคเป็นเหตุที่ผู้จะทำได้จะต้องมีความพอใจระดับหนึ่งและมีความเมตตากรุณาในระดับหนึ่งซึ่งนับเป็นสมบัติของใจสมบัติของใจคือความพอและความเมตตากรุณา ที่ประกอบด้วยการสลั บ, บริจาคเป็นกรรมฝ่ายเหตุมีความพร้อมด้วยสมบัติเป็นผลผลย่อมตรงต่อเหตุดังนี้ความขาดแคลนเกิดแต่การไม่บริจาคความขาดแคลนย่อมเกิดแต่ไม่มีการบริจาค คือไม่ได้ทาเหตุคือการบริจาคที่จะให้เกิดผลเป็นความไม่ขาดแคลนไม่ได้ทำเหตุที่จะให้ผลเป็นความพรังพร้อมแม้ทำเหตุแห่งความพร่งพร้อมไม่ขาดแคลนย่อมได้รับผลเป็นความพรังพร้อมไม่ขาดแคลนผลย่อมตรงต่อเหตุ ด, ดังนี้ ปรารถนาความมีปัญญาพึงทําจิตให้สงบความมีปัญญาย่อมเกิดแต่การปฏิบัติอบรมจิตให้สงบจิตสงบเพียงไรปัญญาย่อมยิ่งเพียงนั้นจิตวุ่นวายเพียงไรปัญญาย่อมหย่อนเพียงนั้นปัญญาเป็นความฉลาดที่เกิดแต่เรียนและคิด จิตที่สงบจะทําให้ใช้ความคิดได้อย่างดีต้องการจะคิดเรื่องใดให้แตกฉานรู้จริงด้วยตนเองมิใช่เป็นเพียงความรู้ของผู้อื่นจิตที่สงบก็จะทําได้ให้เป็นปัญญาขึ้นมาได้แต่จิตที่ไม่สงบวุ่นวายจะทําไม่ได้ผู้มีปัญญาจึงเป็นผู้มีจิตสงบ แม้ปรารถนาจะเป็นผู้มีปัญญาถึงทำใจให้สงบคือสงบจากความโลภความโกรธความหลงปรารถนาเป็นผู้มีปัญญาเพียงไรพึงทำให้สงบเพียงนั้นอีกในหนึ่งก็คือทำใจให้สงบได้เพียงใดก็จะสามารถอบรมปัญญาให้ยิ่งขึ้นได้เพียงนั้นจิตไม่สงบ จะคิดแบบไม่สงบคือคิดสับสนวุ่นวายจากเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆจากเรื่องนี้ไปเรื่องนั้นจากเรื่องนั้นไปเรื่องโน้นโดยไม่เข้าใจถูกต้องชัดเจนในเรื่องใดเลยทั้งนี้เป็นไปด้วยอำนาจความโลภความโกรธความหลงที่ทำให้จิตวุ่นวายไม่สงบ